สาระกลางน้ำรู้สึกเหมือนกับพายุเลยฝนตกหนักๆแบบ น, นี้ที่นี่ตั้งแต่เข้าวันสามนาะก็ยังไม่ค่อยได้เจอจังๆเท่าไหร่แต่ถึงแม้ฝนจะตกหนักนะพวกเราซึ่งอยู่กันในกุฏิหรือสาราก็ไม่เปียกก็นอนได้สบายแม้ได้เวลาทำวัดฝนก็ยังตกอยู่แต่ว่าก็ มาถึงนี่ได้โดยไม่เปียกก็เพราะว่ากลางร่มกันมาถึงนี่ได้นะไม่มีอะไรที่จะต้องวิตกตับฝนเพราะว่ามันทำอะไรไม่ได้เราก็อยู่ข้างในข้างนอกจะชื้นจะแฉะยังไงข้างในก็แห้งแต่ถ้าคนไม่มีไม่มีร่มหรือว่าไม่มีบ้านจะอยู่ก็คงเปียกในการํำเนินชีวิตของของเราแต่ละคนเนี่ย มันก็หนีไม่พ้นนะที่ต้องเจอแดดเจอฝนแต่ว่าฝนหรือแดดนั้นเนี่ยก็จะทำไปแล้วเราไม่ได้ถ้าเรามีบ้านหรือเรามีร่มใจเราก็ต้องการบ้านหรือต้องการร่มเหมือนกันนะบ้านของใจหรือว่าร่มของใจเป็นสิ่งจำเป็นมากเพราะว่ามันต้องเจอต้องประสบหนีไม่พ้นนะกับแดดและฝนที่ จะเข้ามากระทบกับใจของเราในชีวิตของเราถ้าจะว่าไปแล้วแดดหรือฝนนั้นก็คือโลกกระทนั่นเองโลกกระทก็คือสิ่งที่เป็นประจำของโลกหรือว่าทำให้โลกนี้หมุนเวียนเปลี่ยนไปมันก็ได้แก่อะไรบ้างก็ได้แกนะ่ได้ลาบเสือ่อมลาบได้ยศเสื่อมยศสารเสืิอนินทาแล้วก็สุขทุก ถ้แบ่งเป็น2 อ, อย่างใหญ่ๆก็คือสิ่งที่น่าพอใจและสิ่งที่ไม่น่าพอใจอิทธารมแล้วก็อนิถารมในการดำเนินชีพของเราเนี่ยเราก็ต้องเจอสิ่งเหล่านี้นะอย่างนี้ไม่พน้นแต่ว่าเจอแล้วโดวยเพราะสิ่งที่เป็นอนิถารมเสื่อมลาบเสื่อมยศมินทาหรือว่าทุกคือทุกภเวทนาเนี่ยนะ จะทำไงมันถึงจะไม่ ท, ามา ท, ทําให้เราเป็นทุกข์ได้ทําอย่างไรถึงจะไม่ให้สิ่งที่ไม่พอใจสิ่งที่ไม่น่าพอใจหรืออนิจจาลมเนี่ยเข้ามาทําให้เราเป็นทุกข์ได้มันก็ต้องมีธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองใจธรรมะนี่ก็ได้แก่สติสมาธิปัญญาเป็นต้น นะถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเป็นเครื่องคุ้มของใจก็เหมือนกับว่าเรามีมีร่มมีบ้านมีศาลาที่มีหลังคาแน่นหนาไม่ว่าฝนตกแรงแค่ไหนพายุจะกระหน่ำมาเพียงใดนะมันก็ไม่ทำให้เราเปียกปอนหรือว่าแดดจะร้อนแค่ไหนก็ไม่ทำให้เรานะร้อนกายไปมากเท่าไหร่ คนเราไม่สามารถจะหนีเรื่องความพัดพลาดสูญเสียไปได้มันเป็นธรรมดาของโลกเป็นธรรมดาของชีวิตเหมือนกับที่ฝนตกดาดออกก็เป็นธรรมดานะของภูมิอากาศที่นี่เราไม่สามารถจะไปบังคับไม่ให้มันเป็นไปอย่างที่เราต้องการได้ว่าอย่ามีฝนเลยอย่ามีแดดเลยอันนี้เราห้ามไม่ได้ ในธรรนองเดียวกันความพลัดพลาดสูญเสียมันก็เป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้ถึงแม้ว่าเราจะจะมีความฉลาดแค่ไหนหรือถึงแม้เราจะมีเทคโนโลยีมากมายเพียงใดหรือแม้แต่เราจะเป็นคนที่ชอบทําบุญให้ทานเราก็มีความเชื่อว่าถ้าเราทําบุญให้ทานแล้วเราก็จะมีอายุวรนนัสุขาภละ ให้ทานรักษาศีลก็จะทาให้มีไม่มีเรื่อง<ม>เดือดเนื้อร้อนใจมากระทบกับเราทําให้เรามีอายุมีวั น, นะสุขาพระหรือว่าอาจจะรวมไปถึงธนสารสมบัติด้วยก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าอายุวันนะสุขาภระเกิดขึ้นกับเราจริงก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะปลอดภัยจากโลกธรรม เ, เพราะอนิจฐามณมหมายความว่าถึงแม้ว่าจะมีอายุยืนนะแต่ว่าก็ยังต้องหนีความแก่ความเจ็บความตายไม่พ้นถึงแม้จะมีสุขภาพดี<ๆ>ก็ยังต้องเจอประสบกับความสูญเสียพลัดพรากจากคนที่เราลักเช่นพ่อตายแม่ตายหรือว่าลูก มีปัญหาชีวิตถึงแม้ว่าจะมีเงินมากมายนะก็ยังต้องปวดหัวกับเรื่องเรื่องลูกเรื่องครอบครัวลูกสอบข้ามมหาวิทยาลัยไม่ได้นะลูกติดยาอกหักหรือว่าเจองานการล้มเหลวแม่จะทำดีแม้จะรักษาศีลมามากบุญกุศลเยอะแยะเป็นหมดนะ มันก็ไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงจากเหตุการณ์ที่ไม่น่าพอใจเกิดแก่เจ็บตายความพัดพลากสูญเสียคนที่รักอย่างนางวิสาขาเนี่ยถึงแม้จะทำบุญมามากเป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นมหาอุบาสิกาก็ยังต้องร้องห่มร้องไห้เมื่อเสียลูกเสียหลาน เสลา น, นี่ร้องหมร้องไห่มากเศร้าใจเพราะว่ายังมีความยุติติดในหลานอยู่จะมีความรักความผูกพันอยู่นางวิสาขานี่ก็เรียกเป็นผู้ที่มีมีทุกอย่างเท่าที่คนธรรมดาอยากจะมีกันมีทรัพย์สมบัติมีครอบครัวที่ดีนะเราก็ได้รับเกียรติยศชื่อเสียงเป็นที่นับหน้าถือตาแต่ก็ยังทุกข์ เพราะความสูญเสียหลานสูญเสียสามีสูญเสียคนที่รักต้องประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจพูดในกรณีที่ว่าแม้สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองจะเป็นสิ่งที่นะปรารถนาด้วยอันดิสง์ของบุญถึงแม้เราจะปลอดภัยแต่คนอื่นที่เราเกี่ยวข้องด้วยเขาก็ อ, อาจจะไม่ปลอดภัยเขาต้องตายก่อนวันอันควร เขาต้องประสบกับความผิดหวังและสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องมากระทบกับเราที่สุดเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนที่เรารักเกิดขึ้นกับลูกของเราเกิดขึ้นกับล้านของเราถึงแม้เราจะมีอายุวรรณสุขาภะดีแต่ว่าลูกหลานของเราคนที่เรารักเขาก็ไม่ได้มีอายุวรรณสุขาภะดีด้วยแต่เนื่องจากเราไปผูกพันกับเขาเราก็ต้องทุกข์ไปตามเขานี่คือธรรมชาติธรรมดาของผู้ที่ ยังต้องอยู่ในโลกนี้แม้จะทำบุญทำทานรักษาศีลมาแค่ไหนแม้จะได้รับอ น, นิสง์แห่งศีลแห่งทานมากเพียงใดเพียงอดไม่ได้อย่างนี้ไม่พ้นความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นกับคนที่เรารักซึ่งในที่สุดก็ย้อนกลับมาสู่ตัวเองแต่อคอยจริงๆแล้วนะแม้จะมีอายุบรรณสุขาภระเพียงใดตัวเองก็ยังต้องทุกข์เรื่องของตัวเองด้วย เช่นถูกคนมาใส่ร้ายถูกคนมาต่อว่าตำหนินะหรือว่าอย่างที่พูดไว้ในทีสุดก็ต้องแก่ต้องต้องป่วยต้องเจ็บนะก็ต้องตายแม้แต่พระพุทธองคซ์ซึ่งเรียกว่าได้สร้างบุญกุศลมานับชาติไม่ถ้วนนะแม้มาได้ตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าก็ยังต้องประสบกับเรื่องราวเหล่านี้ถูกคนใส่ร้ายใส่ร้ายขนาว่าไปฆ่าผู้หญิง ตายสายร้ายว่าไปทำทำผู้หญิงท้องหรือมีคนมามุ่งร้ายหมายจะฆ่าให้ตายน่าจะทำความดีมามากนะมันก็หนีเรื่องแบบนี้ไม่พ้นแล้วเราจะทำอย่างไรเราก็ต้องมีสิ่งเพื่อรักษาใจของเรา่านสีนี้อาจจะเป็นเหมือนกับเป็นกำแพงป้องกันไม่ให้สิ่งร้ายมากระทบ กับชีวิตของเราเมื่อเราทำความดีมากๆก็เหมือนกับว่าทำให้เราแคล้วคลาดจากอันตรายนะประสบกับโลกธรรมในฝ่ายดีนะมีอายุมีวันน่าสุขามีภาระได้ลาภได้ยศได้สารเสรินแต่ว่ามันก็จะต้องมีอะไรบางอย่างที่มันไม่ดีที่เป็นอนิจฐารมหลุดลอดเข้ามามาถึงตัวเรา ไม่มีกำแพงไหนที่จะปกป้องป้องกันไม่ให้อนิถารลมหรือสิ่งที่ไม่น่าพึงพอใจเนี่ยมันมันฝ่าเข้ามาไม่มีอะไรที่จะป้องกันไม่ให้มันหยุดตรงแค่สิ่งภายนอกเท่านั้นในส่วนก็ต้องฝ่าเข้ามากระทบถึงตัวเราจนได้บุญที่เกิดจากทาตและสีไม่สามารถจะป้องกันอนิถารมไม่ให้ฝ่าเข้ามากระทบถึงตัวเราได้ แต่ว่าจะมากหรือน้อยเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นที่เราคิดว่าขอใอยเราไม่มีโรคไม่มีภยัยแคล้วคลาดจากอันตรายเลยเนี่ยมันก็เลยเป็นไปไม่ได้ทำบุญแค่ไหนทำดีแค่ไหนรักษาศีลแค่ไหนนะก็ต้องเจออยู่วันอย่างคำ่ำคำถามคือเมื่อมันฝ่าเข้ามาถึงตัวเราแล้วเนี่ยมาถึงอนิจจารมพวกเนี้ยภัยอันตรายเราจะทาใจอย่างไร ถ้าเราไม่ได้มีการบําเพ็ญทางจิตไม่มีการเจริญสติสมาธิแล้วก็บ่มเพาะปัญญาเกิดขึ้นเมื่ออนิถารมหรือว่าเหตุการณ์ที่ไม่น่าพอใจมันฝาเข้ามาฝากําแพงชั้นนอกคือกําแพงบุญฝากําแพงบุญเข้ามาจนถึงตัวเราถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาหรือการบําเพ็ญภาวนาทางจิต เราก็จะร้องไห้ค่ามครัวเราก็จะเป็นทุกข์เป็นทุกข์ว่าทำไมเราทำดีถึงต้องมาเจอแบบนี้ทำไมต้องเป็นชั้นแต่ถ้าเรามีสติสมาที่มีปัญญาดีมันก็เหมือนว่าฝนตกก็จริงแต่ว่าก็ไม่ถึงตัวเรามีความทุกข์เกิดขึ้นกับชีวิตก็จริงแต่ว่าไม่เข้ามาถึงใจมันมาหยุดที่กายแค่นั้นเอง มันม่อยู่ที่ทรัพย์สมบัติเท่านั้นเองของหายนะก็หายแต่ของแต่ใจไม่ได้หายด้วยเสียของแต่ก็ไม่เสียใจหรือว่ามีคนมาด่ามาว่าแต่มันก็เป็นแค่ลมเปล่าที่มากระทบแกวหูแล้วก็ผ่านเลยไปไม่สามารถที่จะกระแทกกระเทือนเข้ามาถึงใจได้มันกระทบแค่หูเท่านั้นไม่สามารถกระเทือนมาถึงใจได้ เจอความพลัดพรากสูญเสียมันก็เป็นสิ่งที่ศักดิ์แต่ว่าเกิดขึ้นในพุทธ ก, การก็มีในพระไตรปิฎกก็มีการเล่าถึงครอบครัวหนึ่งที่เสียลูกไปแต่คนในครอบครัวไม่มีใครร้องไห้เลยก็มีคนมาถามว่าทำไมไม่ร้องไห้เผาศพก็เผาด้วยอาการสงบคนที่เป็นแม่ก็บอกว่าตอนที่เขามาเขาก็ไม่ได้ขอ ขอมาคือขอมาอยู่ในท้องนะเวลาเขาไปเขาก็ไปตามทางของเขาเราร้องไห้ไปเขาก็ไม่มีทางจะรับรู้ความ ค, คร่ำครวญเศร้าโศกของเราคนที่เป็นภรรยาก็บอกว่าร้องไห้ถึงคนที่ตายไปก็ไม่ต่างอย่างทารกร้องไห้อยากได้ดวงจันทร์คนที่เป็นน้องสาวก็บอกว่าร้องไห้ไปร่างกายล้วก็ผ่ายพอมคนที่อยู่ก็คงไม่อยากให้เราเป็นอย่างนั้นคือไม่อยากให้ร่างกายเราผ่ายพอม ก็เลยไม่เห็นประโยชน์ที่จะร้องไห้คนใช้ซึ่งอยู่กับบ้านนิมานานก็บอกว่าหม้อที่แตกไปแล้วนี่มันไม่มีทางที่จะเชื่อมประสานให้สนิทได้ร้องไห้ไปก็ไม่มีประโยชน์อันนี้เรนี่เรียก ว, ว่าเป็นการเผชิญการรับมือกับกับความทุกข์ที่เข้ามากระทบกับชีวิตแต่มันไม่สามารถจะกระเทือนเข้ามาถึงใจได้ และสิ่งเหล่านี้จะทําได้ก็ต้องอาศัยการบําเพ็ญทางจิตลําพังการให้ทานรักษาศีลเนี่ยมันไม่พอให้ทานก็ทุกได้รักษาศีลก็ยังทุกได้แต่ถ้าเรามีการบําเพ็ญทางจิตโดยเฉพาะที่นี่เราในเรื่องการเจริญสติเพื่อ น, นําไปสู่การสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นการเจริญสตินี่แหละมันก็คือการเป็นเสมือนตัวที่จะระ ง, งับไม่ให้เกิดการปรุงแต่ง ให้กระเทือนเข้ามาถึงใจอย่างที่บอกเวลาเมื่อวานว่าเมื่อเวลาเราเกิดผัสสะลึกเราได้รับรู้อะไรก็ตามโดยเพราะการรับรู้ถึงสิ่งที่ไม่น่าพอใจเช่นได้ยินได้ฟังคำพูดที่ไม่ไพเราะคำตำหนิเสียงดังหรือว่าได้ฟังได้รับรู้ข่าวร้ายว่ า, าเป็นมะเร็งนะหรือว่าได้เจอคนที่เราอาจจะ ไม่ค่อยชอบหน้าแต่ว่าสิ่งเหล่านี้การรับรู้แบบนิเทศลวภาคศาสตรเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะทำให้เกิดความทุกข์ใจทันทีมันต้องผ่านการปรุงแต่งแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีการปรุงแต่งสามารถยุติการปรุงแต่งได้ทุกนั้นมันก็ไม่กระทบมาถึงใจมันเปรียบเส ม, มือนกับว่ามันมีฝั่งสองฝั่งฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งผัสสะคือการรับรู้อีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งที่เป็นความทุกข์ เมื่อเกิดการรับรู้แล้วเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะข้ามมาสู่ความทุกข์ใจได้ทันทีมันต้องมันต้องมีสะพานมันต้องมีสะพานสะพานนั่นคือความปรุงแต่งปรุงแต่งเช่นว่าชอบหรือชังปรุงแต่งว่าไม่ดีไม่เอาหรือว่าปรุงแต่งว่ามันปรุงแต่งว่ามันไม่สมหวังไม่ตรงกับความคาดหวังของฉันหรือปรุงแต่งว่าฉันได้น้อยคนอื่นได้มากไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมหรือไม่แต่ปรุงแต่งว่า นี่เป็นของฉันนี่เป็นของฉันถ้ามันมีความปรุงแต่งนี้ก็หมายว่ามีสะพานมีสะพานทอดก็ทำให้พอเกิดการรับรู้ในเรื่องที่ไม่น่าพึงพอใจในเรื่องที่เป็นอนิจฐารมมันก็ตรงข้ามสะพานเข้ามามาถึงอีกฝั่งหนึ่งคือทำให้เกิดความทุกข์ใจได้ทันทีแต่สิ่งที่เรากำลังทำก็คือการเจริญสติการเจริญสติก็คือเหมือนกัาการทอดสะพานการชักสะพานออก หมดซึ่งการปรุงแต่งไม่ให้มีการปรุงแต่งได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินเห็นก็สักแต่ว่าเห็นรับรู้ก็สักแต่ว่ารับรู้หรือถึงแม้จะเผลอไม่พอใจเผลอเกิดความหงุดหงิดขึ้นมาก็รู้มันเมื่อรู้มันก็ไม่ปรุงแต่งต่อไปคนร้อนี่ถ้าไม่ปรุงแต่งเนี่ยมันก็ไม่ไม่เกิดความทุกข์ได้เวลาแดดร้อนเผาเผากายมันก็ร้อนที่กายแต่มันไม่ร้อนถึงใจ แต่พอไปคิดว่าฉันร้อนกูร้อนเท่านั้นแหละใจมันก็คุกทันทีแล้วคนเราส่วนใหญ่ผู้เจะตัดว่าเปรียบเสมือนกับเวลาเจอทุกขเวทนาเนี่ยมันเหมือนกับเจอธนูสองดอกอย่างแรกเป็นทุกขเวทนาทางกา ย, ยาเช่นหิวร้อนหิวหรือร้อ น, ห ร, อนหรือว่าไม่สบายมันที่แรก ม, มันก็เกิดกับกายก่อนแต่เมื่อไม่มีสติมันก็กระเทือนไปถึงใจ เพราะว่ามันมีการปรุงแต่งเกิดขึ้นแล้วคนธรรมดาปรุงแต่งเกิดขึ้นก็เหมือนกับว่ามีสะพานให้มันข้ามจากการรับรู้ก็ข้ามสะพานมาสู่ความทุกข์ใจทันทนะีแต่คนที่มีผู้สดับหรือผู้มีปัญญาแล้วก็เหมือนกับว่าชักสะพานนั้นออกมันทุกข์กายแต่ไม่ทุกข์ใจมันร้อนกายแต่ไม่ร้อนใจกายเมื่อแต่ใจไม่เมื่อนะกายป่วยแต่ใจไม่ป่วย อันนี้พอมีสติสติสักต่ว่าเห็นสักตะว่ารู้แล้วคนเรามันปรุงแต่งได้หลายเรื่องนะบางทีก็ปรุงแต่งว่าเป็นของเราของเราของเราร่างกายของเราอันนี้เป็นตัวการสําคัญมากเวลามีของหายเนี่ยเราไม่เดือดร้อนเลยนะแต่เราจะเดือดร้อนทันทีถ้าเป็นของของเราหรือไปยึดมันว่าเป็นของของเราเราจะร้อนใจทันที เวลามีคนตายเนี่ยเราไม่ทุกใจเลยนะใคราตายก็ไปเหลืองเขาแต่ถ้าไปรู้ว่าคนที่ตายนั้นเป็นญาติของเราเป็นพี่น้องของเราโอ้มันทุกทันทีเลยเมื่อวานนี้มีการออกข่าวว่าต่อไปจะจับพวกเด็กแว้งนะเข้าคุกนะไปดัดสันดานใครๆก็อนุโมทนาเออเอาเด็กแว้งกลับเข้าคุกก็ดีมันก่อควนมากแต่ถ้าเกิดเราไปรู้ว่าเด็กแว้งเหล่านั้นที่เข้าคุกนี เป็นลูกของเราเป็นพี่น้องของเราเป็นญาติของเรามันทุกทันทีเลยนะเวลาบอกว่าเออผู้ขายาบ้านี่ประหานชีวิตก็ดีเราก็นุโมทนาด้วยแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นญาติพี่น้องของเราที่ถูกตัดสินประหารชีวิตนี่เราทุกทันทีให้ความยึดติดหรือความปรุงแต่งว่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยมันมีอนุภาพมากเพียงแค่การรับรู้เฉยๆนี่ไม่ทําให้เราทุกข์แต่พอไปรับรู้รับปรุงแต่งว่าเป็นเราเป็นของเรานี่มัน มันทุกทันทีนะอันนี้แหละคือตัวสะพานที่ทําให้การรับรู้อะไรก็ตามเนี่ยนำไปสู่ความทุกข์ได้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยจะเป็นเรื่องในส่วนที่เป็นอั น, นิถารมนะก็คือส่วนที่ไม่น่าพอใจเสื่อมลาบเสื่อมยศพัดพรากความเจ็บความป่วยแต่ที่จริงแม้แต่อิทธารมก็เหมือนกันนะสิ่งที่น่าพอใจไปเพลิดเพลินกับมันก็ไม่ได้นะนะ ไปเพลิดเพลินกับมันก็ไม่ได้พอไปยึดติดมันทีแรกปรุงแต่งก็เกิดความเพลินใจว่าเออได้ก็ดีนะได้ทรัพย์ก็ดีนะมีความสุขแต่ว่าก็อย่าไปประมาทมันเพราะว่าอิทธารมที่มันเข้ามากระทบหรือเข้ามาเกิดกับเราถ้าเราไปเพลินไปยินดีมันเราก็เตรียมใจทุกข์ได้เลยนะเพราะว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่ไปจะอยู่กับเราได้เที่ยง เมื่อถึงเวลาที่มันแปลเปลี่ยนไปเราก็ทุกข์แต่ถึงแม้จะยังไม่แปลเปลี่ยนไปมันอยู่กับเรานานๆแล้วก็เบื่อล้วก็เส็งกันนะของดีๆที่เราซื้อมาเราก็มีความสุขพอใจที่ได้มาแต่มันก็เราก็พอใจแค่วัน2วันหรือ1เดือนเท่านั้นแหละผ่านเดือนที่2ไปเราก็ชักเบื่อๆแล้วนะถ้าอยู่ไปนานกว่า น, นี้ก็ชักอยากจะได้ของใหม่มาแทนที่นะกินอาหารที่อร่อย มันก็อร่อยคําแรกอร่อยมือแรกหรืออร่อยวันแรกแต่ถ้ากินติดติดกันทุกวันทุกวันทุกวันทุกมือทุกมือทุกมือ8อาทิตย์นึ่งมันไม่อร่อยแล้วมันเริ่มเอียนละมันเบื่อก่อนเบื่อแล้วก็เอียนจากเอียนก็กลายเป็นรังเกียจชื่อเสียงเกติยศที่ได้มาวันแรกก็ดีใจนะแต่พอผ่านไปสักเดือน2อเดือนก็เฉยๆล้วมันจืดจางได้มันจืดชื่อได้สิ่งที่เรียกอิทธาลมเนี่ย ซึ่งมันก็ทําให้เราทุกข์ได้ถ้าเกิดว่ามันจืดจางไปเราก็อยากได้ใหม่เวลาเลื่อนตําแหน่งได้เป็นหัวหน้ากองหัวหน้าแผนกก็ดีใจแต่พอผ่านไปสักสีหเดือนมันก็ซักเฉยละคราวนี้อยากได้ใหม่อยากได้ตําแหน่งที่สูงขึ้นกว่า น, นั้นเคยมีคนไปถามผู้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1แล้วก็รางวัลต่างๆกันว่ามีความสุขไมเพราะถามกันเป็นพันคนเลยนะและส่วนใหญ่ก็บอกมีความสุข แต่แต่อะไรแต่สุกได้แค่6เดือนเท่านั้นแหละหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมนี่ขนาดยังไม่ได้สูญเสียเลยเลยนะเพียงแค่ได้มาแต่ได้มาแล้วเนี่ยพอได้ไปนานๆมันอยากได้อีกอยากได้มากกว่านั้นไม่ต้องรอให้มันแปลเปลี่ยนไปเพียงแค่มันอยู่อยู่เท่าเดิมเราก็ไม่ชอบแล้วเราอยากให้มันเพิ่มพูนมากขึ้นเพราะฉะนั้นในการไปยุติดกับอิทธิารมเนี่ยก็ทาให้ทุกข์เหมือนกันนะ ครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อชาท่านบอกว่าความทุกขเนี่ยมันเหมือนกับหัวงูถ้าไปแตะถูกมันมันก็กัดทันทีแต่ความสุขหรือสิ่งที่น่ายินดีน่าพอใจก็เปรียบเหมือนกับหางงูถ้าไปจับหางงูเกิดอะไรขึ้นสักประเดี๋ยวเดียวงูก็กัดเว้นแต่ว่าเราปล่อยหรือวางอย่างรวดเร็วถ้าจับไว้นานนี้ก็โดนงูมันกัด เพราะฉะนั้นอิทธารมก็เหมือนกันนะทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศเนี่ยคืออิทธารมถ้าเราไปเพลินกับมันเราไปยึดติดมันเราก็ทุกได้ง่ายเหมือนกันเพียงแต่ทุกที่หลังอ น, นิถารมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าหากว่าเราปล่อยใจให้เพื่อเพลินยินดีไปกับอิทธารมเราเตรียมใจทุกได้ถ้าเราปล่อยใจให้ไปลังเกียจ อ น, นิธารมลมเราก็ทุกทันทีเลยมันเป็นธรรมดาของโลกเหมือนกับฝนตกแดดออกแต่ว่าไม่จำเป็นจะต้องทําให้เราทุกข์ได้ถ้าเกิดว่าเรารู้จักวางใจให้เป็นกลางคือไม่ยินดีเมื่อประสบอิทธารมแล้วก็ไม่ทุกข์เมื่อประสบกับอนิถารมใจที่วางไว้เป็นกลางๆงไม่เพลิดเพลินยินดี ในสิ่งที่น่าพอใจแล้วก็ไม่ไปรังเ ก, ยกียจผักสายสิ่งที่ไม่น่าพอใจอันนี้แหละคืองานของสติการเจริญสติจะทำให้เราเนี่ยรู้จักวางใจเป็นกลางได้สิ่งไม่ดีมากระทบมันกระทบแค่กายแต่ไม่กระเทือนไปถึงใจมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นก็ไม่สามารถจะยอมติดให้ใจเราเพลิดเพลิ น, นยินดีกับมันได้ภาษาโบราณเขาเรียกว่าไม่ยินดีไม่ยินาย ไม่ยินดีไม่ยิน้ายแต่ว่าคำสองคำนี้เดี๋ยวนี้เราไปเข้าใจว่ามันหมายถึงความความเฉยเฉยชาชาที่จริงมันหมายถึงความเรียกว่ารักษาใจเป็นกลางคือไม่ชอบไม่ชังเมื่อถ้าเราทำใจแบบนี้ได้เนี่ยไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราเราก็ไม่ทุกข์เจอความพลัดพร้สูญเสียเจอความเจ็บความป่วยเจอคำตาหนิต่อว่าเราก็วางใจเป็นปกติได้ อันนี้เพราะเรามีสติและสติเราก็ต้องสร้างอยู่สม่ำเสมอในเวลาเราปฏิบัติกันเนี่ยมาเป็นการที่เรียนรู้ให้วางใจเป็นกลางๆเราจะสังเกตได้ว่าเวลาเราปฏิบัติเนี่ยมันจะมีความคิดหลายอย่างเข้ามาซึ่งส่วนใหญ่ก็มี2 อ, อย่างเท่านั้นแหละก็คือความคิดแบบดีๆกับความคิดแบบไม่ดีความคิดดีๆคือคิดแล้วมันเพลินความคิดที่ไม่ดีคือคิดแล้วเนี่ยมันทาให้ทุกข์ คนเราส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อมีความคิดที่ดีๆก็ก็ยึดอยากให้มันอยู่นานๆเวลามีความคิดที่ไม่ดีก็อยากผลักสายมันออกไปไอ้ความยึดอยากแล้วก็ผลักสายไอ้2ตัวนี้แหละที่มันเป็นรงง่างเงาแห่งความทุกข์เพราะมันทาให้จิตเราดิน้นอะไรสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับใจความคิดดีๆที่เกิดขึ้นก็อยากจะรักษาให้มันอยู่นานๆแต่มันก็ไม่ยอมอยู่นาน ความคิดที่ไม่ดีเราอยากจะให้มันไปเร็วๆแต่มันก็ไม่ยอมไปจิตนั่นก็ดิ้นอยากจะผลักสายให้มันไปไกล ๆ, ๆเราลองสังเกตดูนะคิดดีกับคิดไม่ดีก็เรี้ยงรายเข้ามาอารมณ์ดีๆเช่นความสงบความสบายมันก็มีอารมณ์ที่ไม่ดีเช่นความเครียดความกังวลความกลัวมันก็มามันจะ เรียงรายมากันสลับกันมาความคิดดีความคิดไม่ดีอารมณ์ที่น่าเพลินอารมณ์ที่ไม่น่าเพลิดเพลินขอให้เราเพียงแต่ดูมันเฉยๆเราต้องฝึกเป็นผู้ดูมั่งเป็นผู้เห็นเพราะแต่กรนเนี่ยเราจะเข้าไปผลักใสหรือไม่ก็ไฝ่หาอยากได้ใจของเรานี่มันมีปฏิกิริยาแค่2 อ, อย่างเท่านั้นแหละคืออยากได้กับใฝ่หา อยากได้กับปฏิเสธนะมันมีความชอบกับชังถ้าชอบก็อยากได้ถ้าชังก็อยากผลักสายออกไปและปฏิกิริยาส อ, อย่างนี้เนี่ยที่มันเป็นตัวการทำให้เราทุกข์นี่แหละคือที่เรียกว่าความปรุงแต่งมันเกิดขึ้นแทนที่จะเห็นว่ามันสักแต่ว่าเกิดขึ้นเราก็ไปอยากได้มันมันเกิดขึ้นแทนที่สักแต่ว่าเห็นว่ามันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเราอยากจะผลักมันออกไป ทั้งสองอย่างมันทําให้จิตเราดิ้นแล้วก็นำไปสู่ความยึดทั้งคู่สิ่งที่เราไม่ชอบเราก็ยึดมันนะสิ่งที่เราไม่ชอบที่แรกเราปฏิเสธมันแต่ว่าไปประมาณเรากลายเป็นยึดมันไปแนบกับมันมันเหมือนกับเราไปเจอหินก้อนใหญ่หินก้อนใหญ่เป็นขวางทางอยู่เราอยากจะผลักมันออกไปแต่เนื่องจากมันใหญ่มากเราก็เลยผลักมันไม่ได้ผลักมันไม่ไปผลักมันไม่ไปเราก็เลยพยายามยันเข้าไปสุดท้ายกลายเป็นว่าเรากับมันเนี่ยกลายไปติดกันเลย เรากับหินนี่กลายเป็นติดกันเลยเราอยากจะยันมันออกไปแต่ไปบบมากลายเป็นติดแน่นๆกับมันเพราะผลักไม่ไปยิ่งเราอยากผลักสายออกไปเนี่ยเรายิ่งยึดติดมันเราโกรธใครสักคนเราก็คิดถึงคนคนนั้นอยู่นั่นแหละทั้งๆ ท, ที่รู้ว่าโกรธแล้วคิดแล้วเป็นทุกข์ก็ยังก็ยังคิดอยากจะผลักออกไปแต่ก็กับยิ่งยึดติดกับมันมากขึ้นกินอะไรที่มันเหม็นมือกลิ่นเน่ากลิ่นน้ำปลา กลิ่นปลาล้าติดมือราอเหม็นราอไม่ชอบเราก็ล้างเราก็เช็ดแต่เสร็จแล้วเราก็อดไม่ได้ที่จะเอามาดมเมื่อยังมีกลิ่นอยู่แล้วก็เช็ดแล้วก็ล้างแล้วก็มาดมใหม่เราไม่ชอบกลิ่นนั่นแต่เราทำไมเราดมมันอยู่เรื่อยเลยอันนี้คืออาการยึดติดอย่างหนึง่งยิ่งอยากผลักสายก็ยิ่งยึดติดแต่ว่าในการปฏิบัติเนี่ยเราจะมาสร้างทิสัยใหม่คือเป็นผู้ดูเฉย พ่อคำเขียนท่านก็นย้ำอยู่เสมอว่าคิดดีก็ตามคิดชั่วก็ตามก็ช่างมันคิดดีก็อย่าไปเพลินคิดชั่วก็อย่าไปกดไปห้ามมันดูมันเฉยเฉยเป็นผู้ดูซะบ้างเพราะเราไม่ได้ทําหน้าที่นี้มานานแล้วเราไม่ได้ฝึกตรงนี้มานานแล้วเรามีปฏิกิริยาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เลยทําให้เราเป็นผู้ทุกข์อยู่เรื่อยไปฝึกนะเป็นผู้เห็นผู้ดูมันจะคิดอะไรก็ช่างมันดูมันเฉยเฉย เผลอเข้าไปในความคิดเผลอเข้าไปในอารมณ์รู้ตัวขึ้นมาก็รู้ก็กลับมาอยู่ที่อิริยาบถการเห็นอยู่เรื่อยๆนี่แหละนะอย่าประมาทนะการเห็นอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันคือการถ่ายถอนเพราะเมื่อเห็นแล้วหรือรู้แล้วเนี่ยมันละได้รู้ว่ากําลังคิดอยู่มันก็ละความคิดนั้นเพราะว่ามีสติกลับมาสติก็จะจําได้และลึกได้ว่าหน้าที่เราไม่ใช่หน้าที่คิดปรุงแต่งแต่หน้าที่เราคือการเดินมี รับรู้อยู่กับปัจจุบันกำลังนั่งอยู่เผลอคิดไปแล้วลึกขึ้นมาได้ว่าเผลอไปจำได้ว่าเรากำลังนั่งฟังอยู่สติมันก็พาเราพาจิต ก, กลับมาสู่การฟังเพียงแค่รู้เฉยๆมันก็ละได้ในตัวนะไม่ต้องไปอยากจะละสติมันทำหน้าที่นี้ของมันเองเป็นอัตโนมัรู้แล้วก็ละรู้แล้วก็ละไม่ต้องพยายามไปละมัน จะไปพยายามห้ามพยายามไปกดพยายามไปบังคับให้รู้เฉยๆรู้ด้วยใจที่เป็นกลางคือไม่ชอบไม่ชังไม่ยินดีไม่ยินลายจะไม่ผลักสายไม่ไฝ่หาแต่สังเกตดูนะใจมันจะเข้าไปมันจะอดไม่ได้ที่จะเข้าไปจัดการก็ไปจัดการกับความคิดหรืออารมณ์คนยุคนี้เป็นยุคที่ชอบจัดการจัดการกับมันอะไรที่มันดีก็อยากจะได้เยอะๆอยากจะเก็บไว้นานๆอะไรที่ไม่ดีก็อยากจะผลักออกไปอยา จ, จัดการ เล่นงานมันให้เราลองฝึกเป็นผู้สังเกตการณ์ดูบ้างนะเป็นผู้ตามรู้ตามเห็นเฉยๆแล้วใจก็จะวางเป็นกลางได้ทีนี้พอโรกธรรมเกิดขึ้นกับเรามันก็เกิดขึ้นได้กับกายเกิดขึ้นได้กับวัตถุเกิดขึ้นได้กับคนที่เราลักแต่มันไม่สามารถที่ลามมาถึงใจได้เพราะว่าสัพานที่เป็นเครื่องเชื่อมระหว่างการรับรู้ กับความทุกข์นั้นเนี่ยมันถูกชักออกแล้วมันก็รับรู้เฉยๆแต่มันลามต่อเข้ามาถึงใจให้ทุกข์ไม่ได้แลเราต้องฝึกในการที่จะละหรือชักสะพานสะพานแห่งความคิดปรุงแต่งที่ทําให้การรับรู้นําไปสู่ความทุกข์สะพานนี้เนี่ยมันมันชักได้นะถ้ามีสติรู้เฉยๆรู้เฉยๆความปรุงแต่งก็หมดไปและหละังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าความทุกข์ก็ตัวหนึ่ง ใจเราก็อันหนึ่งความทุกข์เช่นทุกข์กายหรือสูญเสียทรัพย์มันเหมือนกับอยู่อีกฝั่งหนึ่งเราหรือใจอยู่อีกฝั่งหนึ่งและฝั่งนี้เนี่ยนับวันเนี่ยช่องวางระหว่าง2ฝั่งนี้ก็จะห่างขึ้นห่างขึ้นห่างไกลไปเรื่อยๆนะต่อไปมันก็ดูเหมือนว่าไกลเหลือเกินความทุกข์นะที่เกิดขึ้นกับกายเกิดขึ้นกับทรัพย์แต่ว่ามันไม่สามารถจาก มาถึงใจแต่ไดเพราะว่าเหวหรือช่องว่างมันห่างกันมากนะเพราะว่าความคิดปรุงแต่งมันไม่เหลือแล้วให้เราปฏิบัติอย่างนี้แล้วนะช่องว่างระหว่างการรับรู้กับความทุกข์ใจช่องว่างระหว่างผัสสะกับความทุกข์มันก็จะห่างห่างห่างจนกระทั่งเราเป็นแค่ผู้เห็นเท่านั้นเอง